ถ้าที่เราปรารรมาสู่กันฟังช่วงนี้ตอนนี้ก็บ่ายสามเป็นเวลาชั่วโมง ก, กว่าต่อไปนี้เราก็เปิดพูดคุยสนทนากันตามเวลาตามโอกาสจนกว่าจะถึงเวลาเท่าไหร่เราก็จะจบรายการยังนะยังไม่จบยังไม่ชนะนะยังยังไม่ชิดตังมีนะ เข้าไว้รอมเข้าไว้อบรมให้เป็นสมบัติของเราจริงๆอบรมแล้วไม่มีใครมายื่งแย่งไปได้ตายแล้วไปด้วยกันไม่มีที่จะพาเราลงต่ําไม่มีพาไปสู่ทิสงสงละเอียดสิ่งประณีตสิ่งที่สูงเลิศที่สุดปัญญาโอ้เยี่ยมเรื่องของปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องที่พวกเราขาดขาดสถิตขาดปัญญา อับจนด้วยปัญญาพวกเราทั้งหลายอับจนปัญญาพวกเราจึงหมอกอยู่ในโลกเหมือนกบเหมือนเขียดหมอกอยู่ไปตามใบไม้ตามกองดินทรายที่ตรงที่โคลนลองาพิจารณาดูภพภูมิของเราแล้วมันน่าสลดน่าสังเวชใจเหลือเกินที่ตรงที่โคล น, นที่นี้ก็มือกอง ของการมาคุณทั้งหลายทั้งปวงที่เรามาหอกอยู่วันนี้มีสุขบ้างมีทุกข์มากการมาคุณกรมาคุณ ม, ม, ม, คนะมีสุขนิดหน่อยมีทุกข์มากหนักดูเอาเธอชีวิตครอบครัวเรามีสุขนิดหน่อยวันคืนลงไปแบกแต่กองทุกข์เราดูออกไหมเราดูโมหะดูความหลงมันเข้าออเราเราดูออกไหม เราดูความอับจนของปัญญาทําให้เราอับจนในภพในชาติของเราเนี่ยงอกอยู่ในโลกสูงทั้งหลายจงมาดูลโลกนี้อันตราการตาบุญพราดเฉพะพวกเรามองเห็นสีเหล่านี้เนี่ยตราการตาแล้วเพื่อนที่พวกคนเขาวมกอยู่พวกทรงตรัสพวกคนขาวมกอยู่พวกเราพวกคนเขาวมกอยู่แต่ผู้รู้ท่านหาข้องอยู่ไหม่ท่านไปข้องนะั้นท่านไปท่านทิ้งหมด นี่คือข้อแตกต่างกันเรามาดูแต่เพราะชีวิตพบชาติของความเป็นมนุษย์มีโอกาสได้ยินได้ฟังได้ค่าฝึกฝนอบรมจรึงเป็นโอกาสเอื้ออำนวยให้กับชีวิตของเราพัฒนาชีวิตรประคบรคอชีวิตพยุงพพชาติของตัวเองให้สูงขึ้นให้เด่นขึ้นสิทีิหน้าเทียดลาพิสูืนก่อนทุกเกิดแก่เจ็บตาย แค่เป็นโรคนู่นเป็นโรคนี้เจ็บ่อยได้ป่วยอดแอดหมอนัดเข้านัดแล้วนัดอีกนัดแล้วนัดอีกเข้าโรงพยาบาลนดัดเข้าโรงพยาบาลนี่หมอน้อไม่ดีหมอนีไม่ใช่มีเวลาไปหาหม อ, อย่างดีเดียวปากท้องยังมีอีกทุกไหมอ๋อไม่มีค่าไฟอยอไม่มีค่าอาหารใ้ลูกตายแล้ว ป่วยไข้เงียบเงงงไปทำงานเพื่อมาแลกเปลี่ยนกับสิ่งนี้นี่คือกองทุกพวกเราไม่มีใครปรารถนาแต่พฤติกรรมที่เราทำเราไมยจะคํานึงคานวนกันละในที่สุดพวกเราเลยหนีไปไม่พ้นไม่พผนหมกอยู่ในกองที่ตองขี่โคลนที่ดินที่ทรายคือกรรมคุณจบเพียงเท่านี้ก่อน อ๋อคือเพิ่งเห็นนะฮะปู่เดแ้วแล้วส่าแก้หครับแแแก้วแก้วับเนี่ยครับผมอนอกคืนนี่ก็อยากแก้หาย ม, มีใครฟังได้ต่อเนื่องไหมถ้าหากท่านไม่ได้ฟังให้ต่อเนื่องท่านจังหมดหงิดเพราะไม่เข้าใจถ้าท่านฟังถ้ท่านเข้าใจโอ้โหมันโยงจิตของเราไปได้อย่างดีทีเดียวไม่เดินจิตของเราออกสเปกสปะออกนักรูนอกถ่นกานเราก็ช่วยส่งเสริมกันได้แค่นี้ผลรา้ายได้เป็นเรื่องของใครของเราไปทำเอาเอง เหลือเวลาอีกเท่าไหร่เราจะไปจบตอนเท่าไหร่จบตอนใกลๆสครับใกล้่มาาเนเอาได้เลยเอลยกลากลับานะครับเรียนสาเมื่อจะอจารยท่านอธิบายเรื่องสหน้าครับ ฟังให้ดีนะขันห้าขันห้านี้เป็นคําบัญญัติของพระพุทธเจ้ารูปประขันที่เรามองเห็นจับต้องได้เป็นรูปประขันเวทนาขันสุขทุกขมีอยู่ในกายเราด้วยสุขทุกขมีอยู่ที่ใจเราด้วยเป็นเวทนาขันเป็นอีกกลุ่มหนึ่ง สัญญาขันตัวนี้ละเอียมากเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสีอย่างนี้เป็นอาการท่านนรับเข้า era, ใจอาการไหมมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นอาการมันเป็นอาการเหมือนอย่างที่พัดลมมันหมุนเตี้วตีมันมีลมมาสัมผัสที่เราเสิ่งเหล่านี้คืออาการ ไฟมันช่วยขยายทําให้เกิดเสียงเนี่ยสิ่งเหล่านี้คืออาการอ่าเป็นแอร์เป็นพัดลมเป็นอะไรอะไรเนี่ยเป็นอาการพมันทั้งหมดเช่นอย่างความสว่างที่เราเห็นอยู่รอบข้างตัวเราข้างนอกเนี่ยอาการของพระอาทิตย์อาการของไฟแต่ตัวธาตุไฟแทๆ้ๆถ้าเราออกไปข้างนอกไปสัมผัสร้อนร้อนแค่นั้นแหละแต่แต่ไปสัมผัสตัวพระอาทิตย์จริงๆก็ไม่ได้เลย แต่ถ้าเราจะอยากลองเราก็ามาจุดเทียนแล้วก็มึงไปแยกดูนี่คือธาตุไฟนีเวทนาสัญญาสัญญาก็คือความจำได้ความหมายรู้เราอย่าไปติดตัวหนังสือให้เราพยายามทำความรู้จักของจริงเวทนาเขาพยายามทําความรู้จักของจริงสัญญาทําความรู้จักของจริง มันจำได้เนี่ยเป็นเรื่องของสัญญาจำได้หมายรู้มันมีทั้งจำได้มันมีทั้งหมายรู้คือคิดคิดคัดคเ ด, ด, ดาเดาแก็ยึดเอาถือเอาสําคัญมันหมายเอาตัวนี้ร้กาจมากถ้ากเลสมันสวมรอแลนะ้วโอ๊ยถ้าเป็นลูกสมุนของกิเลแล้วเนี่ยมันเอาไปลอ่อซะชิหายวายพวงไปหมดเลยแต่เวลามันทําโทษมันมีโทษเท่ากันหมดเหมือนกันหมด รูปเวทนาสัญญาสังขารมีอยางมีโทษเท่ากำหนดสังขารสิ่งปรุงสิ่งประกอบตั้งแต่สองสิ่งเป็นต้นไปท่านเรียกว่าสิ่งปรุงสิ่งประกอบรูปสังขารนามสังขารนอกจากนั้นแล้วก็สังขารจิตจิตปรุงนึกคิดแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะแต่ละขณะไม่อยู่คงที่ไม่อยู่เท่าเดิมเป็นเรื่องของจิตต์สังขาร จิตของพวกเรานั้นยังมีกองสังขารเพราะมีกิเลสตระหนักองเต็มแปร่อยู่จิตของพระ อ, อรหันต์ไม่มีกองสังขารท่านมีคำเรียกอีกคําหนึ่งว่าวิสังขารวิสังขารเป็นอื่นไปจากกองสังขารเพราะฉะนั้นพระจิตของพระพุทธเจ้าพระสงฆ์สาวกพระยาสาวกจึงประสิิ์จากอานิจจังทุกขังอนัตตาในพูดทําให้เกิดข้อเทียบเคียงนี่คือขันห้าเรามีความรู้สึก นึกคิดเป็นตัวเป็นตนอยู่เดี๋ยวนี้ขณะ น, นี้สิ่งที่เป็นประธานอยู่ให้กับเราคือธารู้คือใจคือมโนคือวิญญาณธาตุคือมานายตนะจิตกับใจใจหรือืมว่าภาษาไทยสระไอไ ม, ม้ม้วนจอจานภาษาไทยจิตตังจิตตะพุทธิยถาท่านเขียนไปนตามกิริยาเพรามาันมานายัตนะอ่ามโนธาตุ แต่ยว่าธาตรู้เรารู้ไปที่ผู้รู้หนึ่งเดียวผู้รู้ของพริพุเจ้าท่านชักลาไปหมดแล้วผู้รู้หนึ่งเดียวไม่มีอ น, นิจจังทุกขงังนึกตาเข้าไปเกี่ยวข้องแต่ผู้รู้ของพวกเราไม่ใช่หนึ่งเดียวกลายเป็นกล่องสงขาพบภูมิจึงพลิกผันไปตามนั้นพบภูมิผู้ดำพฤติกรรมเราทำยังไงมันมีตัวสิ่งบันทึกเอาไว้สัญญาอุปาทาน พบชาติมันไปตามเรื่องตามราวของมันอเป็นกระบวนการหลักธรรมชาติของมันพระเจ้ทําเรียนรู้ตามหลักของธรรมชาติถ้าเรามาแจกแจงให้พวกเราได้รู้เอาไว้พระองค์ทรงทบทวนหลังจากพระองค์ได้ตรัสรู้หน่อยในที่เจ็ดแห่งแห่งละเจ็ดวันพระองค์ทรงทบทวนหลังปฏิจจสมุปบาทลองไปหาดูลองไปหาดูทร ง, งทบทวนพิจารณาพระอภิธรรมใครควรไปตรองความทุกที่มองทรงได้มันรู้มา เพราะความรู้ของพระองคนะ์นะสัพพัญจุตยานึกนิดนึกคิดแง่มมุมให้ก็ตามทะลุปลุกปลงทะลุปลุกป ง, ปงไปหมดไม่มีอะไรมันมาขัดมาเข้ามาข่านี่คือวิญญาณขันห้าขันห้าเป็นหลักธรรมชาติเกิดขึ้นมาตามหลักธรรมชาติขันห้าทั้ง ร, งปรงูปธรรมทั้งนามธรรมาาเป็นตัวผลตัวเหตุที่จะให้เกิดขันห้าคืออะไรตันหา อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจเวลาเขาทำงานคเขาเอาอันนี้เป็นรูปมือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอานี้แหละเป็นรูปมือของเขาเป็นเครื่องหมายเครื่องมือที่จิตคือผู้รู้ดวงนี้จะออกมารับรู้กับภาวะข้างนอกเพืจะเสพสุขเข้าไปสู่หัวใจสิ่งที่ดีก็ชอบใจสิ่งที่ไม่ดีก็ไม่ชอบใจนี่นี่คือเหตุผลความเป็นมารักธรรมชาติของอวิชชาตาัณหาที่มันมาแทรกอยู่ในหัวใจของเรา ใครไปคอยป้อนอภิชาตานหาวปาทานให้ไม่มีเราสร้างเราทำมาเองมีอาจารย์ที่ไหนคอยบอกคอยป้อนคอยสอนให้ไม่มีบุญกรรมของใครของเราสร้างมาเองถ้ารู้ของเราบัตขึ้นเกิดขึ้นมาปับ๊บไม่บริสุทธิ์อุบัตมาด้วยเหตุใดหากพัฒนามาตามรูปแบบของผู้รู้ของเราเกิดเป็นสัตว์เล็กเกิดเป็นสัตว์ใหญ่เกิดเป็นอะไรต่ อ, อรก็แล้วแต่ หาปรับเปลี่ยนไปในขณะนั้นอีกปนไปกันไม่จบไม่สิ้นอพบสูงพบกต่ำพบยาวพบเรียบพบอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะพฤติกรรมเพราะมนุษย์นี้มีพฤติกรรมมีกายกรรมด้วยมีวจีกรรมด้วยมีมโนกรรมด้วยทั้งกรรมทั้งสานี้ไม่เคยหยุดนิ่งกิริยากระดุกกระดิกพลิกแพผงของกายกรรมของวิจิกรรมของมโนกรรมท่านเรียกว่าพฤติกรรม ของกายพฤติกรรมของวาจาพฤติกรรมของใจทําไปแล้วไม่สูญเปล่ามีที่เก็บเอาไว้สะสมเป็นวิบากไม่ใช่ทําทิ้งนะไม่มีทิ้งธรรมชาติมันเก็บพึ้นมาเองทําบุญธรรมชาติเขเก็บพึ้นมาเองทำาธรรมชาติเก็บพึ้นมาเองแต่ตัณหามันมีความอยากเป็นเกณฑ์เป็นประมาณผลรายได้ผลดีๆมันมองภาพไว้ถุ ลผลปรากฏที่แท้จริงของเนาเฟรทั้งนั้นเขาต้องการความสุขความเจริญรู้แต่เวลาเขาทําเขาไปทําพฤติกรรมที่เลวๆเหมือนต้องการสีขาวแต่ไปจุ่มสีดำเวลาไปป้ายต้องการสีขาวได้ไหมสีขาวได้สีดําขาดปัญญาในการประกอบพฤติกรรม ความเป็นอยู่ของเราเราเอาจริงสำคัญที่สุดในการที่จะมาควบคุมกากับดูแลพฤติกรรมของเราใครสามารถทําได้จนมองเห็นกรรมของตัวเองบริสุทธิ์กายกรรมบริสุทธิ์ด้วยศีลไว้จีกรรมบริสุทธิ์ด้วยศีลเอ๊ะมันทําได้อยูนะชีวิตของเราเขล่วงการผ่านไปมาจนถึงขนาดนี้เขาพปอยาจะตั้งอกตั้งใจทําให้กายกรรมของเราบริสุทธิ์วิจีกรรมของเราบริสุทธิ์ ตั้งใจรักษาศีลห้าศีลแปดยิ่งละเอียดเข้าไปอีกศีลกำกับที่กายกรรมที่วิจีกรรมให้บริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวมโนกรรมเอาสมถะไปใส่ให้มันเอาวิปัสสนาไปใส่ให้มันเอาปัญญาพิจารณาสอบสวนกำหนดจุดจอดูหลักสักจธรรมของมันนี่คือที่ไปที่มาต้นตอที่รือที่ฟื้นที่แก้ไขควรจะให้ชีวิตของเราไม่จอดเน่าเฟะอยู่อย่างนี้ พระญาตท่านสอนรีบเร่งสอนด้วยพระเมตตาที่ไปเธอที่ไปเธอที่ไปเธอที่ไปเธอรีบไปบอกเขารีบเอาน้ําไปดับฟื้นดับไฟในหัวใจของเขาดูพระองค์รีบเพ่งขนาดไหนตอนให้พระสงฆ์สาวกหกสิบองนั่นไปประกาศศาสนาเธออย่าไปส้ำกันเป็นสององนะให้ไปแห่งเรองค์แห่งลรองค์แห่งเร์ให้มันกระจายให้ทั่วรวดเร็วที่สุดแม้แต่เราก็จะไปพวกพระอก็ไปองค์เดียวกันนะฮะ ไปปราบเจดินหน่องปึ๊บเดียวสิ้นระยะไม่นานเท่าไหร่ได้ลูกิษตัเป็นพันๆเห็นไห ม, มได้ลูกศิษย์ตัเป็นพันๆสอนเจดินได้เป็นพระอารามทั้งหมดด้วยอาธิษฐปริยายาสรูปไปแสดงที่ต้นน้ําขยาเราไม่เคยไปเราไปอินเดียเราไม่เคยไปนักต้นน้ําขยาคราวอาจารย์กีรวาดท่านไปได้ร่วมมีหมู่เขาพาไปที่ต้นน้ําขยา ก็ไม่มีสั ญ, ญลักษณ์อะไรให้ให้ใ ห, ให้อะไรมากนักมีอะไรบ้างก็ไม่รู้ที่ต้นน้ำขยะที่พุทธิยาสเส็กอธิตะปริยาญาสุให้พวกฉดินได้เป็นพระอรหันต์นแปบ๊บเดียวและบริสุท์สัตว์บริวารต้องเป็นพันนี่ก็คือพฤติกรรมอาการของขันห้าทั้งนั้นแหละขันห้าเนี่ยเราปฏิบัติเพื่อมารู้ทำความเข้าใจรู้ธรรมรักธรรมชาติของมัน ไม่ใช่ศึกษาเพื่อเอาไม่ใช่พิจารณาเพื่อเอาพิจารณาเพื่อปล่อยพิจารณาเพว่วานี่คือขันท่าห้าเออเราครองขันท่าห้าแท่ทาไมเราไม่รู้เรื่องก็เราไม่รู้เรื่อง <c oughs> ต่อไปอีกนักตักขันที่สองนะครับ <c oughs> คุณแม่ป่ว <c oughs> ยตอนนี้เดินไม่ได้ต้องนั่งโดนเข็นเพื่อจะรง ขาดสมองการมาทำบุญคั้งนี้จะช่วยท่นได้ไหมครับช่วยท่านไม่ได้แต่ก็ช่วยเราได้ช่วยเราได้ก็ถ้ามาช่วยท่านได้ลองไปให้แม่ฟังรู้โอ้ลูกไปภาวนาดีดี ได้รับความเยอเือกเย็นไดความรอบรู้ได้อย่างนู้นได้อย่างนี้แพื่อพาอัศิจันนี้ลองไปเล่าแม่ฟังดูแม่จะปลื้มพิจินดีนั่นคือคุณสมบัติของบุญลองไปเล่าให้ฟังดูแต่ไม่ใช่เราทําอยู่ที่นี่ท่านรับรู้ที่นู่นน่ะมีธรรจิตส่องถึงหากันได้ก็ลองส่งไปที่นี่เราพูดตำหลักเหตุผลตงรงๆไปเลย อย่าไปพูดในสิ่งที่เรามองไม่เห็นพูดได้เหตุด้วยผลเอาคุณสมบัติที่เราได้นี่แหละไปเล่าให้แม่ฟังเวลาให้เพื่อนฝูงฟังเวลาให้พ่อฟังไปเล่าให้พี่ๆน้องๆฟังมันเป็นเรื่องของธรรมะมีเสน่ห์เพราะฉะนั้นบางคนถึงเอาไปต้มกันง่ายๆฟังหูเถอะเอาพอปลอไปต้มกันง่ายๆระวังให้ดี มีบทสวดใดบ้านที่จะที่จะสวดเพื่อให้ท่านได้ได้บ้างค้าอยากให้ท่านอยากให้ท่านทำช่วยตรวจสวดบทพธนชงก็สวดเข้าไปอ่าบทสวดบทวิปัสนาภูมิก็สวดเข้าไปไปหาบทจุนทะไปสวด เอาบทมหาสติปัฏฐานไปสวดให้ท่านฟังแปลให้ท่านฟังลองรู้สวดแล้วก็มีคําแปลด้วยนะให้ท่านเข้าใจท่านจะได้ปลื้มปีติยินดีมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยนะการฟังเสียงธรรมมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยดูเดี๋ยวท่านพูดถึง ว, ว่าข้างคาวประสมเจริญ อ, อภิธรรมอยู่ในถ้ำข้างคาวเกาะกันเป็นร้อยเป็นพันอย่างนี้นะมันฟัง เพลินไปกับเสียงทสั่นลุทตกลงมาตายหมดไปสวรรค์หมดมาไปสวรรค์หมดอะ่ะอนุภาพของอะไระกระแส จ, จิตกับกระแสธรรมมันเข้าถึงกันพุทเธเจ้าจะเป็นคนตรักบทไหนขอให้ตั้งออกตั้งใจสวดแปลให้เข้าใจเรื่องเข้าใจก็ไม่ ก็ไม่เป็นไรเขาไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแปลก็ไม่เป็นไรขอให้ทําความเลื่อมใสสงบไปกับบทนั้นๆแต่ไม่ว่าจะเป็นบทไหนก็ตา ม, มาฉันจะพูดถึงอันนี้แจงทุกขังอนัตตามีอยู่นั้นสอนเราไปในตัวเราจะไปขัดแย้งกับอันนี้แจงทุกขนนั้งอนัตตาของพุทธิชาไิอย่นนางไงขัดแย้งไม่ได้อย่างนั้น การเจริญปริตะมงคลเราเจริญทำไมในหลวงพ่อ ท, ที่เจ้าท่านล็อเอาไว้หมดแล้วอ น, นิจจังทุกขัอนัตตาทำไมมีจึงมีสวดบทปริตรนั้นบทปริตรนี้ให้อยู่เย็ยนเป็นฉุกมีสริริมีมงคลมีโน่นมี น, น, มนี้หากยังไม่ถึงการถึงคราวก็เขาให้อยู่เย็ยนเป็นฉุกมีความเจริญรุ่งเรืองถ้าถึงการถึงคราวก็ของใครของเราไปแค่นั้นเอง ตั้งใจรรทำมาเถอะบุญเป็นของเราทั้งหมดยิ่งใหญ่ที่สุดอยู่ที่เราใครมีความนึกคิดอย่างนี้เป็นพี่เป็นผู้มี ก, กตัญญูกตเวทีเป็นเยี่ยงอย่างของมนุษย์ของเทวดาทั้งหลายทั้งปวงมันจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่าตัวเราก็คือพ่อคือแม่พ่อแม่ก็คือตัวเรา เพราะฉะนั้นใครไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ท่านคึงว่าอนันตรยกรรมฆ่าตัวเองดูที่พรโมกขลันฆ่าแม่นะโดนเกิดพบไหนถูกฆ่าเดิ น, ดนเกิดพบไหนก็ถูกฆ่าเพราะฆ่าพ่อฆ่าแม่เท่ากับฆ่าตัวเองดูดูให้เห็นชัดเจนเกี่ยวกับเงาเหตุผลไม่ใช่พูดลอยๆไม่ใช่พูดโดยลยิบเดออภิอภิเนียไม่ใ ช, ใช่ตัวเองมาจากไหนมาจากพ่อมาจากแม่ ใครต้องการประครับประคองดูแลพ่อแม่ให้ดีพ่อแม่อันหนึ่งก็คืออัตภาพร่างกายของเราดูแลให้ดีใครเอาอัตภาพตัวเองไปทํายกบูย่ำบุยีเละเทให้เขาเหยียบย่ําทํำลายให้ปขติให้เขาทีบเอาไปเข้ากรงเข้าคุกเข้าตารางเข้าอะไรอะไรเอาพอ่อเอาแม่ไปทําทารุณกรรมในรคุณหาที่เปรียบไม่ได้ พยุงพ่อแม่ส่วนนี้เอาไว้พยุงพ่อแม่ส่วนนั้นให้ท่านอยู่สุขสบายท่านเลี้ยงมาแล้วเราต้องเลี้ยงทัานต่อเจ็บแค่ใดปวด่วยเราต้องดูแลประทับพระตาท่านตายไปทปําบุญทิศให้ท่านมีงานมีการมีสมบัติมีมรดกมีอะไรดูแลจัด ก, การของท่านให้ดีให้เรียบร้อยเพราะทุกคนนั้นเราไม่ใช่คนคนเดียวไม่มีใครเป็นคนเดียวโดดเดี่ยวไม่มีบุทรีเจ้าท่านจึงสอนหลักด้วย สมมติเรายืนท่ามกลางเนี่ยเราไม่ใช่ตัวคนเดียวโดดเดี่ยวนะข้างหน้าวิดามันดาข้างหลังบุตรภรยาเบื้องขวาอาจากเบื้องซ้ายมิตรเบื้องบนสมณพราเบื้องต่าบ่าวไพรเราอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวที่ไหนไม่ได้อยู่คนเดียวโดดเดี่ยว มีความเกี่ยวข้องมีความผูกพันเพราะฉะนั้นใครไปทำความประพฤติทำหน้าที่ทำอะไรไม่ถูกไม่ตรงตามหลักตามหน้าที่ที่เราเป็นอยู่นี้มันจึงช่าไม่ได้ผิดแปลกแปลกแนวเช่นอย่างอตันยูกับพ่อกับแม่อย่างเดียวยังอื่นมันจะล้มไปหมดเล ย, เลย ไม่กระทันหัวรูบุญกับคุณกับพ่อกับแม่เท่านั้นไม่ต้องไปพูดถึงเพื่อนไม่ต้องไปพูดถึงครูอาจารย์คนอื่นนอกไปจากตัวเองกับพ่อกับแม่ตัวเองตัวเองแล้ะยังไม่เอาเนี่ยพ่อแม่พาไปวัดอ้าวทำไมต้องไปหาความดีอะไรมีอยู่แต่กับพระนักหนาะวแน่พ่อแม่พาไปวัด <laughs> นี่ก็มาเล่าให้ฟังลูกมันเดื้อ พ่อแม่อยากพาไปหาพระให้ท่านพูดในแง่เหตุผลธรรมะอัดทำอะไรให้ฟังเราไม่มีความดีหรือทำไมต้องไปหาพระเราฟังดูเถินี่คือเสียงของอะไรเรารู้ไห ร, รู้จักไหมกระทบกระทั่งหัวใจของพ่อของแม่แล้วยังไม่พอทำลายหน่อเนื้อของตัวเอง ปิดขั้นหนทาขึ้นตัวเองจะข้าวไปไหนล่ะหนทาที่จะก้าไปคือ ข, ข้าวรถข้าวพงไปตามเรื่องนึงกลายเป็นกองสวะตุกป่องตุกป๋องตุกป๋องทุบป่องตุบป่องมันไม่ได้เป็นไปตามศีลตามธรรมแล้วเนี่ยลอยไปลอยไปไปติดกองสวะมีแต่ของเนา่าๆที่กองอยู่นีใครเคยอยู่ข้างๆแม่ น, น้ํามาดูเอาเขแล้วกันกองสวะของเนา่ๆนาๆหมาเน่าเป็นตัว ของขยะมูลฝอยอะไรต่ออะสารพัดลอยทุกป่องทุบป่องทุบป่องปลาตายปลาเน่าลอยติดอยู่ในนั้นทั้งหมดคนที่ไม่เดินไปตามทางเหมือนกับคนที่ทําตัวเหมือนปลาตายลอยทุบป่องทุกป่อ ง, งเหมือนกองสวะเน่าพวกเราต้องการสินธรรมกตัญญูรู้บุญรู้คุณพ่อแม่รู้คุณของครูของอาจารย์รู้คุณค่าของเพื่อนรู้คุณค่าของสามีของภรรยา เราทำตัวเหมือนปลาเป็นแวกว่ายทวนกระแสน้ำเสมอถึงจะไปตามน้ำมันก็ไปอย่างละมัดะวังพอโดดก็โดดตุ๊บไม่อันตรายมันไม่ได้ลอยตุ๊บป่องตุ๊บป่องทำบุญตามกรรมนีเป็นอุปมาเพราะฉะนั้นลูกกับพ่อกับแม่มีเยื่อใหญ่มีสายใหญ่มีสายเลือดเอาแตใจตัวเองไม่ได้ ตกกระป๋องพ่อแม่เอาไม่อยู่มันไม่มีดอกลูกคนไหนที่พ่อแม่เอาไม่อยู่แล้วจะดีขึ้นไม่มีศิทธิ์ถาประชาสุทโธชนะเอาไม่อยู่อย่างนั้นหรอมัอนคลเรื่องนั้นเวลาท่านบรรลุมาท่านเอาไปได้หมดเห็นไหมเอาพ่อเอาแม่เอาอยาเอาวงอะไรของท่านเอาไปหมดไปสวคนปณิพานหมด นั่นเกิดมาเพื่อเกื้อกูลตระกูลของท่านกับไอคนประเภทที่ว่าเมื่อกี้นี่เท่ากันได้ไหมเข้าไม่ได้เลยปิดกั้นทางตัวเองอวดเป็นปราเป็นบันฑิตแล้วจะไปฟังใครแบบนี้ไม่ฟังใครทำไมต้องไปหาพระมีความดีแต่กับพระเหรอ เราก็ทดีเอาเองไม่ได้เลสงสารพระเนาะเอาอิากอยากจะให้พระอาจารย์เที่ยงกานการให้านเรือการให้านจะดเรือัครับฟังมเข้าใจอ่านอิฟทำไมพระอาจารย์ ทุกท่านกราบอุทคลังไม่เป็นบูชาอะไรบ้างคนะโอ้ยเรากลัาเยอะครูอาจารย์เราเยอะใครเป็นผู้มีบุญมีคุณก็เราไม่ว่าพระไม่ว่ายอไม่ว่าใครก็ใครมีบุญมีคุณก็เราเรากล่าบหมดเรากราบความดีของเขาเราพูดแค่นี้ก็พอแล้วเราจะกราบเท่าไหร่ก็ได้บางครั้งเรากลัาสามครั้ง แต่เราก็ลึกหมดอีกเหมือนเดิมลึกหมดอีกเหมือนเดิมบางทีเราไม่ได้ระลึกอย่างเดียวเรากราบแล้วก็ะลึกกราบแล้วก็ะลึกกราบแล้วก็ะลึกไล่ไปจนหมดใครเป็นผู้มีบุญมีคุณลองทําให้เป็นจิตนิสัยใจของเรามันจะอ่อนนอ้อมมันไม่แข็งกระดา้างมันมีเหตุมีผลข้างมันมันไม่ได้เอาใจไปขัดแย้งอะไรกับใครนะ มันเป็นเห็นเป็นเรื่องของกรรมของไข่ของเรากรรมของเราของเราระมัดระวังเอาของเรากรรมดีของเขาก็คือของเขากรรมไม่ดีของเขาก็คือของเขาแต่เราเป็นกัลยาณมิตรกันได้นี่เราทําตัวแบบนี้เราไม่เดือดร้อนอยู่ไหนก็ได้เข้าใจแล้วเนาะไปเราลึกถึงใครการกราบมาเถอะการกราบลองฝื้นกราบลองดูดิ มันดีหรือไม่ดีเราฝืนตราเราดูดิเดแล้วจะติดใจนะเราฝืนตราเรงดูไปสังขังสนังกระฉามนีมันก็จบไปหมดแล้วจบแล้วแต่บุญคุณมันขึ้นไหมน่ะบุญคุณขององค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นองค์นั้นมันขึ้นไหมมันไม่ขึ้นสังขังสนังกระฉามนีมันก็จบหมแล้วก็จบบมดแล้วแต่บุญคุณมันไม่ขึ้นกับไอ้ที่เราไปซอย ลองไปทำลองรู้การกราบมันเป็นการปฏิบัติอย่างหนึ่งเราบูชาเรื่างว่าการกราบมันเป็นการปฏิบัติทำอย่างหนึ่งคนที่เกียจพิการจะกราบนี้เลยกระดูกจะร่วมหรือกระลูกกระจายร่วงเต่มไปหมดลองดูสิ <c oughs> อ่าเอาาากซารเรียนการศึก นึงเวลาจะแก้บูบายธรรมะตามกริถ้าเราเป็นคนมีโทสะและกลบพักเราจะใช้อุบายในแต่สัดส่วนอย่างไรเราจะไปมีปัญญาอะไรไปคิดถึงสัดส่วนต น, นั้นมันไม่ทันมันหรอกถ้ามันมีมันจะไปโทสะเกิดขึ้นได้ยังไงถ้ามีปัญญามีอบายวิธีถึงขนาด <laughs> มันจะไปเกิดขึ้นได้อย่างไง โอ้นันชนะส่วนอันนี้ชนะส่วนเออนั้นหย่อนไปหย่อนอันเข้าไปอีกสองส่วนเ <c oughs> มตตาเข้าไว้เป็นพื้นไม่ผิดราคาจะจริตทสะจริตโมหจริตอะไรจริตก็ตามเมตตาเข้าไปเป็นพื้นจะเยือกเย็นไปหมดในขณะเดียวกันมีสติกำกับจดจอ่อมาให้จิตของเรานี่ยมันอ่อนแอทุกก์เกลอยูุ่หอะแป๊บแป๊บแป๊บยุอะมันก็แป๊บแปบ ไม่มีสติไม่มีสมัมผชัญญะไม่มีสมาธิเป็นปู่ของตัวไม่มีธรรมะเป็นเครื่องระงับยับยั้งไม่เห็นโทษของการแสหาโทษเหล่านั้นมันละเอียดลอนะสี่เหล่านี้ธรรมะของพระพุทธเจ้ามันท้าทายไปหมดเลยแหละเจริญเมตตาเข้าไว้เห็นหน้ากันไม่ได้เจอกันในงานไม่ได้ เจอกันในสำนักงานไม่ได้แผ่เมตตาเข้าไปให้ชุ่มเียนยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปทำตัวสม่ำเสมอพูดคุยสนทนาพาทีสม่ำเสมอยิ้มแย้มแจ่มใสไม่บึ่งตึงมีวาจาไพเราะนิ่มนวลผู่ สมสมาน ส, สามารถขี่ปรองดองชวนให้เห็นอกเห็นใจเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันเอาธรรมะเข้าไปใช้มันสำคัญมาขอยมันทันเถอะแต่ส่วนมากมันไม่ทันคนที่จะทันต้องเจริญมหาสติเพราะมหาสติมันจะปลกตัวเองทุกระยะทุกเวลา อันนี้เป็นยอดเป็นยอดของกรรมฐานเลยนะเป็นยอดมหามังกุดของกรรมฐานเรื่องมหาสติเนี่ยพุทธเจ้าท่านพูดถึงอุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ละเอียดพยัย ม, มุนทำความเข้ยาใจอยู่ตรงนี้เถอะเอาตัวรอด mm hmm. มันอยู่ในท่าที่ที่เตรียมพร้อมอะไรมาพรรับรักอะไรมาพรรับดักรับรู้ รับรู้รับทราบรับรู้รับทราบไม่ใช่รับทราบแล้วก็สบื้อซื่อไม่รู้เรื่องรู้ราวรู้เรื่องรู้ราวทั่วพร้อมหมดอยู่ในนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นผู้มีสติมีสัมผัชัญนยอดีและเป็นอย่างนั้นมีปัญญาดีมีสมาธิดีมันถูกกั้นกระแสโดยอัตโนมัติถ้าจิตของเรามีภูมิสมาธิมีภูมิปัญญามันถูกกั้นโดยโดยอัตโนมัติสิ่งเหล่านั้นเพราะ ธรรมะมันเกิดมาเกิดที่นี่กิเลสโลภะโทสะมันเกิดมันก็เกิดที่นี่ถ้าตัวนี้ไม่อ่อนไอ้ตัวนั้นจะมาแทรกได้ไงตัวนี้แข็งอยู่เนี่ยตัวนั้นแทกไม่ได้แทกไม่ได้ตัวนี้โร่อยู่ตัวนั้นแทกไม่ได้พราะฉะนันตั้งใจปฏิบัติธรรมจึงมีความสําคัญเอาตัวนี้มันตื่นโร่อยู่เนี่ยทำไงเราจะทําได้เราคิดได้แค่นี้เราทําได้แค่นี้ ตั้งเป็นอนุสรชีวิตเอาอย่างงี้นะเอาไปจนตายไปไปสู่สุคติไปสว่างแน่ๆพัฒนาจิตทุกขณะจิตเลยพัฒนาปัญญาไปทุกระยะทุกเวลาหลับตื่นด่งตาปัญจิตปัญญาทั้งนั้นเลยไม่ต้องไปนอนคอยให้มันเกิดไม่ต้องหรอกเพราะในขณะที่เราอยู่มันพร้อมอยู่แล้วเรื่องของสมุ ท, ทยัยเราพยายามกีกันไม่ให้มันเกิดเท่าไหร่ ธรรมะนาดก็ยิ่อ้วนยิ่งผีขึ้นยิ่งมีกําลังต้านทานมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแต่มันก็โตเท่ากันนะธรรมะใหญ่ขนาดนี้น้ำกัดจะใหญ่เท่ากันเพราะมันเป็นตัวเดียวขันมันอาศัยผู้รู้วคนเดียวกันละเอียดมากละเอียดมากละเอียดมากมาสําคัญอยู่ที่ว่าผู้ฝึกผู้ฝึกจะมีความฉลาดชำนาญจะมีความคล่องแคล่ว มันตัวเดียวกันถ้ามันคนละตัวมันคงทำไม่ได้โดยเหตุที่มันเป็นตัวเดียวกันอาศัยเหตุปัจจัยมาผันแปรเท่านั้นเองมันจึงเป็นวิธีการที่พุทธเจ้าท่านหาช่องออกได้แล้วก็จิตคือผู้รู้ของเราก็เป็นของเยี่ยมเป็นของเลิศเป็นของประเสริฐเป็นของอัศจรรย์ผู้รู้ของเราหนึ่งเดียวเนี่ย มีสติธรรมมีสัมปชัญญะธรรมมีวิรยิยะธรรมมีขันติธรรมมีหิริโอตปะธรรมมีความอุตสาหพยายามมีความมีติเดียนละอออยู่ในนั้นหมดเป็นเครื่องไม้เครื่องมืออย่างท่านพูดถึงอินสียห้พระ5ห้าพวดงเกียตอะไรอเลยคือเครื่องไม้เครื่องมือทั้งหมดเวลาทําไปแย่ๆเป็นดูที่ท่านตั้งหลักเอาไว้ไปรูที่ท่ามาประธานทีอิติบาศี ละห้าอินทรีย์ห้าพวสช่องเกตระยะมรรคมโยงแปลอะไรก็ว่าไปพประธิปัชย์ถามท่านพูดถึงธรรมะเหล่านี้เราพูดเราพูดไว้โดยโด้วยเหตุที่เป็นร่องรอยของธรรมมันเป็นร่องรอยของธรรมที่จิตเราจะเข้าไปสัมผัสทั้งหมดแต่เราไม่จำเป็นจะต้องไปตามต้นตามรู้ตามอะไรเอออันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไรเวลามันอยู่มันอ ย, อยู่ในนั้นทั้งหมด แตเวลามันไม่อยู่แต่หมด เ, ออเราดูได้ว่ากิเลสมันแทรกเข้ามานในหัวใจของเรานะกิเลแสแทรกเข้ามาที่ใจของเราเลยรูพรุ่งไปเลยนะห้าสบหกสิช่องรูมันพุ่งทะลุเข้ามา เ, เ อ, อี่จะปิดรูไหนอยู่ดูไปแล้วเหมือนสุดเอื้อมหมดหวังสังะสานมาที่ใจดวเดียว สัมรวมมาที่ใจตัวเดียวสติตั้งรออยู่คนียวอย่างอื่นดับหมดดับหมดสํมรวมตัวนี้ไม่ได้อันนั้นก็แสกได้อันนี้ก็แสกได้อ น, นี้นก็แสกไ ด, สด้แสกได้หมดถ้าสํมรวมตัวนี้ไม่ได้นี่เราพูดอย่างนี้เราให้เห็นความสาคัญของใจของเร า, าเป็นของที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐขนาดไหนที่เราควรจะพยุงยกก่อง พระค้าประคองให้ชีวิตเราดำโดดเด่นไปด้วยคุณธรรมด้วยสติธรรมด้วยปัญญาธรรมในเมตตาใจพวกเราอาศัยหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงวางเอาไว้สอนเอาไว้ยังสดสดร้อนร้อนอยู่คอยเราทั้งอกตั้งใจทําไม่เหลือบ่ากว่าแรงของใครทั้งนั้นคำถาอต่อไปนะครับถ้าเราเคยปฏิบัติได้ดีวงเงี้ในคามที่ของตัวเราเองนะครับ แต่ว่าเร า, าพลาในเรื่องศีบอกเลยว่าข้อสาเดินปนระมาณเจเราจะปฏิบัติได้ยากกว่าเดิมเช่นอครเราควร ต, ตั้งจิตอย่างไรและแก้ตัวอย่างไรครกรรมเก่าเราแก้ไม่ได้ดอกเราต้องทํากรรมใหม่ให้มันหนักกว่าเดิมกรรมที่เป็นส่วนดี กรรมเก่ามันก็จะเบาบางไปของมันเองเพราะระหว่างผู้ที่อมกรรมหนักกรรมเบากรรมเก่ากรรมใหม่ก็คือใจใจตัวนี้เป็นผูอ้อมเราจะเคยทำช่วยช่ละมกมาสักเท่าไหร่ดูระองคุริมาณฆ่าคนมาเท่าไหร่เกือบจะพันคนใช่ไหมเวลาท่านมายอมยอมฟังพระพุทธเจ้าทองปลุกตื่นโรจิตเข้าถึงสัจจ์ อย่างอื่นร่วงไปหมดทั้งใจฟังคําอัดสอนของพระเจ้าเข้าถึงสัจธรรมได้อัดได้ทำเนียเบื้องหลังในเราประมาณไม่ได้ดอกแต่คอยเราเข็ดลาบประมวลมันทั้งหมดเพื่อความเข็ดหลาบจะไม่ทําอีกแล้วแต่ไม่ใช่ว่าประมวลนี้ประมวลอีกนะตอนค่ําไปแล้วประมวลนี้ประมวลอีก วันนี้เราไปทำผิดมาทั้งวันยกโทษให้ข้าพเจา้าด้วยวันหลังเอาอีกเราไม่ได้ทำตามนั้นแค่ศีล น, นี่ประชัดเจนที่สุดแล้วไม่ฆ่าสัตว์ไม่รังสั์ไม่พระพุทธผิดในกมไมง่ายๆชัดๆไม่พูดเท็จพูดหย่างพูดสเสียดไม่ดื่มสุรามีไรตั้งใจทำให้เด็ดขาดจริงจังมีกาลังมีพลังมีกาลังใจ มีกำลังใจต้องทำลงอะมีกำลังใจเราจะไปนึกไปคิดสเป็นสปะไปทุ่ดทิพย์ทุ่เด่ทิ้งหลักตรงนี้ไม่มีทางเดินจะเปซสปะแคว้งคว้า ง, างอยู่อย่าลืมศีลศินในกรรมบทหลักของกรรมบทกายกรรมสามวิจีกรรมสี่มโนกรรมสามอย่าลืมเด็ดรับกายกรรมสามคืออะไรบ้างวิจีกรรมสี่คืออะไรบ้างมโนกรรมสามคืออะไรบ้างเป็นหลักจิตของเรา จะต้องไปสัมผัสสัมผั ส, มสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดอะไรควรเอาอะไรไม่ควรเอาทิ้งหลักไม่ได้นะหลักทิ้งไม่ได้พูดพูดทั้งวีทั้งวันจะไม่มีหลักเข้ามาเกี่ยวข้องบางคนจับอะไรไม่ได้เลยสิ่งที่ชอบใจก็เคลิมตามไปสิ่งที่ไม่ชอบใจก็ไม่น่าฟังแต่สิ่งที่เป็นหลักที่พรุทธเจ้าท่านวางเอาไว้มีทั้งทิง ที่ชอบใจเราก็ไม่ชอบใจเพราะในใจของเร า, ม, ม, าร ม, เเมันมีทั้งอารมณ์ที่เป็นส่วนของกิเลสมันมีทั้งอารมณ์ที่เป็นส่วนของธรรมอะไรเป็นเกณฑ์เป็นประมาณได้เอาปัญญาเป็นเกณฑ์ตัดเฉินได้อะไรเป็นธรรมอะไรไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นมีขึ้นหัวใจของเราอีกครัอาจารย์บอกว่าให้ใช้เมตตาในาการควบคุมหรือลดโทสะ ส่วนใหญ่พโฆษณาของผมเกิดจากอัตตาทำอย่างไรที่เราจะลดอัตตาโดยให้อยู่ในระดับที่คงความมั่นใจไว้ได้นะก็ตั้งใจลดมัหนึ่งแล้วอัตตาเหรออัตตาอัตตาอย่าพูดมาโกโ ก, โก้เฉยๆหนะ่าอัตตานะ อตตามันมีด้วยกันทุกคนตราบใดที่เรายังอยง่เรายังละไม่ได้เรายังละธรรมะส่วนที่เป็นโลกีไม่ได้เราอัตตาทั้งนั้นแหละขอให้มันมีกรอบขอมันมีหลักของธรรมไปเก่งเกินโลกเกินสงสารอะไรนักหนาฟังดูเดี๋ยวพระพุจ้าท่านพูดไว้62สิบสทิฏฐิไปดูในพระตไตรปิฎกท่านพูดออกไป เป็นทิฏฐิความนึกความคิดของประหารของบัณฑิตทั้งนั้นแต่อยู่ในกรงข่ายของอวิชาทั้งนั้นออกนอกไม่ได้ออกนอกตรอบไม่ได้แต่ทิฏฐิของพระองค์เนี่ยสัมมาทิฏฐิเจาะออกมาตั้งหาเรายังไม่ถึงขั้นของพุทธิย่าวยังไปสําคัญมั่นหมายอะไรนักหนามีความนึกคิดอย่างนี้มันก็พอจะคอหักหรือชะลอ ความเห็นแก่ตัวความถือเนื้อถือตัวความย่อยิ่งความจองของอะไรต่างๆกิเลสอนี้มันเป็นกิเลสที่น่าเบี่อเราคิดอย่างนี้แล้วว่อุ้มันน่าเบื่อนะยัยโยนทิ้งไปเป็นทุิทวกคิดง่ายๆอย่างนี้แหละให้มันเข็ดมันหลา บ, บ้างรู้ให้พยายามทำความรู้เท่าทันคนอุบายมายาของกิเลสจะไปเข้าข้างตัวเมตตาเป็นพื้น เมตตานี่เหมือนหล่อห ล, อ, ล, อ, ลอไม่ใจเราชุ่มเย็นหลับเป็นสุขตื่นเป็นสุขไม่ฝันร้ายถ้าจะตายก็ตายไปแบบมีสติเทวดารักษาไม่ถูกยาพิษไม่ถูกเครื่องสัตตราประหารอะไรแต่ไรสารพัดอานนสงสงของเมตตาเมตตาเป็นเครื่องค้าจุนโลกโลกนี้ถ้าขาดเมตตาโลกก็จะพังทลาย เมตตากับทศในใจของเราเวลามันเกิดขึ้นมันเป็นยังไงเมตตาเคยฟังนิทานพยอมไหมพ่อกับลูกเขาหามปูไปทิ้งโยนน้ำเคยฟังไหมเขาเอาปูใส่เข่งหามหามไปทิ้งป่าเพราะปูนี่กวนแล้วเกินคนแข่ <laughs> หามไปไปถึงน้ำมันจะโยนไปทั้งจะโยนไปทั้งเข่ง รูปมันเสียดายพอ่พอพอ่ออย่ายโยนเข่งอย่ายโยนไปตั้งเข่งเอาตะปูโยนลงไปอา้าวอะไรอะ่ะเอาไว้ใส่พ่อเขาจาได้นะเอาไว้ใส่พ่อไม่ต้องไปเสียเวลาสารเข่งใหม่เวลาพ่อแก่ก็ใส่เข่งพูดแค่นี้พ่อได้สติเกิดเมตตาขึ้นมาตรงกันข้ามถ้าไอตัวนี้ไม่โผล่ขึ้นมา โยนตุ้มลงไปแล้วเป็นยังไงกับที่เมตตาโผล่ขึ้นมาแค่นี้จากการจะตายเป็นขึ้นมาเอากลับบ้านมีเมตตาเคารพนับถือพ่อมาจนบันปลายสุดท้ายนี่อันนี้สองเมตตาฮะนะจะไปว่าอะไรแต่คนผู้ใหญ่ฉลาดเด็กมันก็ฉลาดเห็น ไ, ไหม พระอาจารย์เวลาเราอยู่กับผู้ที่ใกล้จะเสียชีวิตในไม่ถึงชัวโมงควรสวดมนต์หรือคลดปลสวดมนต์อะไรทั้งหมดนะจะได้ไปหยาดสงบสวดมนต์ก็ได้เพื่อสงบระงับเราหรือไม่ให้หรือไม่ก็ให้ผู้ที่เขากําลังดิ้นตาเหลือกตาลานั้นอ่ะได้มีเสียงอัดเสียงทำเข้าหูมันเป็นเรื่องใหญ่ไม่ใช่เรื่องเล็กหนะ ถ้าเราไม่สู้เราก็นั่งภาวนาเอาเอาแต่เราเนี่ยยังไงอันนี้จารทุกขอนอนุตตาพุาทิชาติสอนปัจจุบันกำลังประจับอยู่เฉพาะหน้าโอตอนนี้มาถึงท่านต่อไปก็จะต้องมาถึงเราบทที่เราจะพึงพิจารณามีมากมายเยอะแยะการที่เราไปร้องผมร้องให้โฮกันอยู่รอบข้างถ้าพูมันอั้นมากๆก็ปล่อยให้โฮออกมาซะมันแฟงซะก่อน <c oughs> เดี๋ยวมันจะระเบิด เอหมือนเราอยากไอเนี่ยแหละอยากไอแล้อดอยากไห้ละวอดอยากไอแล้วอดพอเวลาเขาไปได้ช uh ่องอุ้ยเราเบิดความหิวแห้งใจความทุกข์ระทมตรอมใจความทราบซึ้งตรึงใจนึกคิดถึงมโนภาพเก่าๆที่เราเคยเกี่ยวข้องท่านเคยมีบุญมีคุณอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้น อีกอย่างนึงนกสงสารท่านนึกสงสารพ่อนึกสงสารแม่ถ้ายแล้วจะไปยังไงใจอยู่ยังไงจะอะไะนึกไปหมดมดคนเนี่ยเพรา ะ, ะนังจะอดหัวเราะอดร้องไห้ได้หรืออดร้องไห้ได้ยิ่งเขามีเพลงอะไรเนี่ยเย็นเยนเปิดคลอไปด้วยเลยโอ้โมันดึงใจไปเร็วมากเลยน้ำหูน้าตาไหลโฮขึ้นมาได้เล ย, เลยนี่คือใจมนุษย์ก็อยู่กันอย่างนี้แหละ ดูไว้เห็นคุณดูวยเห็นโทษมันจะเกิดประโยชน์ <c oughs> ครับการถือิ่งแปดไม่อยู่นอกสถานที่ปฏิบัตินั้นการถูกต้องสมัมผัสเทพตรงข้ามโดยที่ไม่ตั้งใจไม่มีความกันนงวลใดแต่เป็ น, นตามหน้าที่การงานอยู่ในสังคเช่นนี้เป็นการผิดศีลหรือไม่ถ้าผิดก็ขอการเทศนา ถือถือได้หรือไม่ได้เจ้าของก็รู้เองเจ้าของรู้เองเจ้าของถือได้หรือไม่ได้ไม่ต้องถามเราแหละถือไม่ได้ก็วังมัดก็มัดก็ ว, ง, วงให้มากเข้าให้มันถือได้อย่าไปจับอย่าไปหยิบอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปส่งจับกับมือกับไม้อย่าไปเดินสองต่อสองกิเลสมันเร็วไฟดุนเก่า อย่าไปอาจหานกับมันในเมื่อเราต้องการจะทำความห่างกับมันอย่าไปทำความคุ้นเคยกับมันโบราณท่านว่าไฟรุ่นเก่ามันติดง่ายคำถามต่อไปนะครับรการราชการท่านจะเมื่อ46ปีแล้วองเร็ปกปัดจากนิวบอเราควรจะทำอย่างไรต่อไปครับอาจาอะไรนะ เมื่อเมื่อจิตสง บ, บดีแล้วปราจากย์นิวอนนะครับเราควรจะทําอย่างไใจ่ อ, อไปนะครับก็ดูมาสิดูมาที่กายตอนนี้เอาหลักมาสติปัญฐานมาใส่เต็มที่ได้เลยจะดูกายดูผมให้เป็นผมไม่ใช่เราดูขนให้เป็นขนไม่ใช่เราดูรูปให้เป็นรูปไม่ใช่เราดูเวทนาให้เป็นเวทนาไม่ ไม่ใช่ sociedad, mankind, งเราดูสังขารดูวิญญาณให้เห็นว่าเป็นเวทนาเป็นสังขารเป็นวิญญาณไม่ใช่เรานี่คือการหักพิจารณาแต่จิตต้องมีระดับไม่ใช่แลรบไปนู้นแพรบปนี้แพรบนนี้แพรบปนั้นจิตต้องมีพลังถ้าจิตยังไม่มีพลังสงบอกก็ไปอีกพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธ เรื่องของสติแค่เรากําหนดจดจอ่อตามรู้มันก็จะเพิ่มภูมิขึ้นมาอีกแต่ถ้าเรามีภูมิของความสงบเข้าไปด้วยมันจะแน่นหนามั่นคงกว่าดวงตาถ้าจึงเน้นเหลือเกิดอยากทิ้งหนาสมถะวิพพานาหรือสมาธิกับปัญญาเคียงข้างไปด้วยกันเหมือนขวาซ้ายขวาซ้ายเท้าซ้ายเท้าวขวาไปด้วยกัน ทำได้ตอนนี้เราดูอะไรไม่เห็นเราก็เห็นทุกที่มันเกิดขึ้นในหัวใจของเราไเจอไปใส่ทุกเราดูสินี่สัจจะโล่ขึ้นมาแล้วดูใส่เข้าไปแต่ข้อสำคัญว่านิ่โม์มันสงบจริงไหมนิวรณ์มันสงบจริงหงงรืหอให้ตรวจสอบดูให้ดีแล้วคำนวณก ได้บุญทั้งหลับทั้งตื่นนั่งสมาธิหลับมันก็ได้บุญทั้งหลับทั้งตื่นแต่อย่าไปทำเป็นให้เป็นเยี่ยงอย่างหลับบ่อครั้งไม่ดีมันหลับเพราะอะไรเพราะเราขาดสติขาดความตั้งอกตั้งใจขาดความซื่อเนื่องขาดความอดความทน อดทนพระครับประคองให้ต่อเนื่องพื้นขาดความอดขาดความทนครับคถานต่อไปหากจับจิตแล้วจะได้ไม่เกิดเลยหรือเปล่าท่านอาจารย์ตับจิตแล้วไปเป็นสัมภเวสีก่อนก็ได้ <c oughs> ก็เป็นอีกภพภูมิหนึ่งของเขา ดับจิตแล้วก็ไปเป็นสัมภเวสีเลยถ้าถึงคราวตัดสินลงนรกก็ไปเลยบุญพร้อมพอก็ไปสวรรค์ก็ไปได้เลยบุญไปสวรรค์ก็ยังไม่ได้ไปนกรกก็ไปยังไม่ได้เป็นสัมภเวสีร่องร่องรออยู่เหมือนอาจารย์หม่ท่านพูดสัมภเวสีสองตนสามตนเคยได้ยินไหมใครเปฟังเทศน์อาจารย์ม่บ้างสัมภเวสีตนหนึ่งนี่ รูปร่างงามผู้หญิงนะรูปร่างงามรวยก็รวยประกวดนางงามได้ที่หนึ่งเขาเรียกนางสังขารนางงามของเขาแต่งงานเมื่ออายุสามสิบสองปีไม่เคยทำบุญให้ไม่เคยให้ทานอายุสามสองปีไปแต่งงานกับคนรวยโอ้ยรวยผู้ชายผู้ชายก็รวยอยู่แล้วตัวเองก็อยากรวย แม่ผัวก็เลยบอกว่าเอ้ยน้อยเอ้ยไปทําบุญกับหลวงตาบ้างท่านกำลังทำนู่นทํานี่อยู่แม่ผัวเห็นไอ้ลูกสะภ้ยนี่มันก็นี่เหลือเกินรู้ไว้มากแต่มันไม่ทาบุญเห็นน้อยก็เลยรับปากจะไปทําบุญพันหนึ่งไปก็ไปทําแค่ห้าร้อยไปทําบุญกับหลวงตาวัดข้างบ้านกลับมาในที่เสียดายตลอดเลยจนกุศนไม่เกิด เกิดอาคุณสุนสิ้นดายร้ย <c oughs> จากนั้นนอกนั้นก็ไม่เคยทาบุญไม่เคยให้ทานมีปากเคยด่าพ่อบ้างเคยด่าแม่บ้างเคยอะไรบ้างอายุสามสิบสองปีแต่งงานแต่งงานได้หกเดือนตกเลือดตายไปเกิดช่งไม่ได้ของอยู่ของกินก็ไม่มีอะไรอยู่ไม่มีอะไรกินมีเสื้อผ้าติดตัวหนึ่งชุด ลองไปลอยมาลอยมาลอยไปหิว้วไม่มีอะไรกินสัมภเวสีถ้าไปเจอซากศพตรงไหนโอ้โหไปรุมทึ่มกันจุบจับจิบจับจิบจับซากหมาเน่าซ า, ากควายเน่าหมาเน่าอะไรเน่ า, นายิ่งสมัยโบราณเนี่ยป่าช้าผีดิบพวกนี้ไปรุมทึ่มกัน น, นี่พวกสัมภเวสีไม่มีอะไรกินในสุดของเศษของเดนของเลษ ข, ของเน่าของป่ยนั่นแหละคืออาหารอันโอชะของเขา ลองบ้านลองภาพภาพดูเพราะไม่เคยทำบุญไม่เคยให้ทานสัมพะเสีอีกตอนหนึ่งตายเมื่ออายุสี่สิบสี่อันนี้เป็นคนจีนพ่อแม่พาไหว้เจ้าเผากระดาษมาทำเต็นแล้วเ ด, วด๊มันก็จำไว้จำได้พ่ออยู่มาอยู่มาพ่อแม่ก็เปลี่ยนมาทำบุญ ถวายก็ปิดจังหัะถวายน้นถวายนี้ถ ว, ย ว, ยวยายอะแต่ลูกยังไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหมนแม่เหมนพ่อพ่อเขารวยมากมีเงินเป็นเจสิบกว่าล้านอ่ะพ่อเขาเนี่ยอยู่มาอยู่มากแม่ตายพ่อมีเมียใหม่เมียใหม่คนนี้เห็นแก่ซักที่ว่าพ่อเนี่ยรวยเมียอายุพ่มีเงินตั้งหลายสิบล้านเนี่ย อยู่มาวันดีคืนดีขับรถชนพ่อตายหวังจะยืดซ้ำพอพอ่อคนนี้ตายปะหลวงริบซับเข้าเข้าหลวงหมดหมดไม้หมดมือเลยไม่ได้อะไรสักอย่างไอ้ลูกสาวคนนี้อายุเขโลงการผ่านไปไปสี่สิบสี่ปีแล้วก็เลยอยู่ต้องอยู่ประจำหน้ากับแม่เลี้ยงซึ่งไม่ถูกกันสิ แม่เลี้ยงนยงงงยี่แกล้งการแกล้งสารพัดการแกล้งคนนี้อยู่มาพอหนึ่งไปจ้านเขาไปจับไปข่มขืนจนตายแม่เลี้ยงคนนี้ตายไปไปเป็นสัพเพเวสีเสื้อผ้านุ่งก็ไม่มีปากก็เปือยมือก็เปื่อยตัวช่วงล่างลงไปเปือยเหลือแต่กระดูกกระลำกระแล่นกระลำกระแล่นกายเหล่านี้มันเป็นกายเกิดขึ้นจากว่บบาทา ตายเมื่ออายุเท่าไหร่มันก็จะไม่ได้กายแบบนั้นแหลกายหกขว้มันก็จะไม่ได้มันก็จะไม่ได้สภาพแค่นั้นแหะนี่เรียกเรียกอะไร ب, พวกสัมภเวสีนวิญญาณหนึ่งหนึ่งดวงสองดวงสามดวงของสัมภเวสีเนะี่ยเขาเร่ ก, กินหากินไปหากินมาเขาเลยเป็นพระเป็นพวกเป็นมุ ก, กันวันดีคืนดีวันหนึ่งเขาไปเข้าสิงคนหนึ่งถูกพระมัดเอาไว้ ออกไม่ได้ท่านสอนให้พวกนี้ทําบุญผ่านร่างทรงไม่มีเสื้อผ้า น, นุ่งจนสามารถมีเสื้อผ้า น, นุ่งไม่เคยตั้งใจสมาทานศีลให้ครับให้เขาตั้งใจสมาทานศีลผ่านร่างทรงนะไม่เคยไปทําบุญไม่เคยไปให้ทานไม่เคยไปให้นุทํานุ่งทำนี้ให้ทําบุญผ่านร่างทรงไปใจตะลงุงไปใจตลาดไปทําความสะอาดบ้านะอะไร คือว่าทําความดีทั้งหมดผ่านร่างทรงกลายเป็นว่ามีอยู่มีกินมีใช้มีสอยมีอะไรได้นี่คือพวกสัมภเวสีไม่มีอะไรกิน น, นี่ไอคนที่อายุสี่สิบสี่นไม่มีอะไรกินเลยเจอแต่เสศษที่เท่าเปล่ากระดาษเต็มไปหมดรู้จะไปกินอะไรเหมือนอย่างไอคนที่วันน้อยเนี่ยตายไปเขาทําบุญให้ของตกมากรื้อเต็มหน้าเอื้อมือไปหยิบอะไรร้อนเม่า ไปหยิบน้องก็ร้อนมากไปหยิบนี้ก็ร้อนมากไม่ใช่ของเรานั่นคือศัพจธรรมัพจธรรมในปรโลกเป็นยางน้นศัพจธรรมเด็ดขาดไหมมันไม่ใช่ของเรามันไม่ใช่ข เ, เขาให้อยู่แต่เราไปหยิบปับ๊บมันไม่ใช่ของเรานี่ไม่ได้ทำบุญเอาไว้แต่วิธีการที่พุทธยาท่านสอนนั้นน่ะท่านสอนให้ทำบุญและอุทิศส่วนบุญให้ให้มาอนุโมทนารับเอาส่วนบุญ วิธีการของพุทธิยาาที่ท่านสอนให้พวกเราทำอยู่เดียนนี้ท่านสอนนีเ้เรื่องเหล่านี้ยังเป็นปัญหาปากข้อของพวกเราชาวพุทธอยู่ออเอาแค่นี้ก่อนครับคาต่อไปถ้าการภาวนาสมาธิหรือการเดินโยมโมคสำเร็จจะเห็นรู้สุดได้ยีนอะไรครับ สำเร็จคืออะไรสำเร็จสมาธิก็คือจิตสงบจิตอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวอยู่จนชั่วชั่นานอยู่จนคล่องแคล่วได้ฌานที่หนึ่งระดับอารมณ์ฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็รักษาเอาไว้ไปเป็นคุณสมบัติเยี่ยมกว่าอย่างอื่นที่เราควรจะเรียกหา โอกาสที่เราจะพัฒนาธรรมะให้เกิดขึ้นจนถึงขั้นว่าเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของอนิจจังทุกข์ของอนัตตาจนสามารถปล่อยะละวางาธาตุขันได้มันก็ไปจากตรงนี้อาศัยตัวนี้เป็นพลังการที่เข้าใจรู้รอบรู้ทั่ทวถึงว่าไม่ใช่เราไม่ใช่ขอ ง, ของเรามันไม่ใช่เรื่องง่ายต้องให้พิจารณามันจังเป็นเราเป็นเราเป็นเร า, เ ป, เ, ราเป็นตัวเองถึงทั้งดุ่นหนิ พยายามใช้หลัก ม, มัธยปัญญาของมัจดจ่อดูมันขาดลอยไปได้จริงจริงอัตลัมันขาดไปเลยมันเหลือแต่สัจธรรมรู้โดดโดดนี่ลองทําให้ถึงให้เข้าใจตรงนี้อันนีจั่งทุกข์ันธนันตามันให้มเข้าถึงใ จ, จงกะบ่เพราะฉะนั้นท่านจึงว่าเข้าถึงกระแสธรรมเข้าถึงกระแสธรรมกระแสธรรมก็คือกระแสะของอันนี้จั่งทุกข์ขันธนันตาไม่ใช่กระแสะเงินกระแสะทองที่ไหนนี่คือกระแสะของธรรม หลักของธรรมชาติพื้นที่เรามาเกี่ยวข้องอยู่บนโลกใบนี้นี่แหละคือกระแสธรรมทำไมจิตคือปัญญาจะเข้าไปรู้ตรงนี้จะไปเข้าใจตรงนี้และจะปล่อยวางตามภาวะดั้งเดิมของเขาปล่อยวางกายก็คือกายทำลายสักกายทิฐิได้เคยยึดเคยถือระเกินว่าสักกายทิฏฐิกายเป็นเราเราเป็นกายกายเป็นเราเราเป็นกาย ความรู้สึกอันนี้มันบอกอยู่กายเป็นเราเราเป็นกายลองไปนั่งไล่ดูสิเราเป็นกายไหมกายเป็นเราไหมไล่ไปพระเจ้าท่านจึงให้แยกแยะไม่ใช่คิดนึกปรุงแต่งแล้วก็ได้เลยไม่ใช่ต้องทำงานเอาทางานก็คือทำงานหลักนิพพานนี่แหละพิจารณาให้เห็นขณะของจิตรูนามอารมณ์ที่เป็นนามโผล่ขึ้นมาอารมณ์ที่เป็นรูปโผล่ขึ้นมา อารมณ์อะไรมันเป็นนามทั้งนั้นแหละเพราะเรานั่งหลับตาทํางานเนี่ยมันเป็นนามทั้งนั้นแหละมันตกผลึกลงไปเป็นนามทั้งนั้นแหละเกิดความรู้เกิดความเข้าใจอยู่ข้างในมันทําให้เรามีความรู้มีความเข้าใจอย่างนั้นจริงๆเห็นสัจตว่าเป็นสัพพะวะธรรมแท้ๆไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราไม่ใช่อัตตาตัวตนของเราจัจตว่ารู้สัจตว่าเห็นสัจตว่าเข้าใจแต่ให้มันถึงขั้นไม่กาเริ่ กลับแล้วกลับอีกกลับแล้วกลับอีก ม, อมันเป็นพื้นเป็นบาทเป็นฐานัองมันมันจะประทับตัวมันจะเป็นคุณสมบัติของมันติดเนื้อติดตัวพระอัญญาโกนทะยั่ฟังแค่นี้ท่านเข้าไปรู้เข้าไปเห็นพุทิยถาธรู้รู้จิตเข้าถึงกระแสธรรมโนทะยั่งได้รู้แนะ่หนอโคนทะยั่ได้รู้แ้วหนะอัญญาสิวัตพโคนันโยอัญญาสิวัตถภพโคนันโยจากนั้นเทวหมุเทยวดาทั้งหลายโอ้สาธุอนโมทนา กันชาตุนดาดูยามาาทุกขึกึองะสงเกิดขึ้นในโลกนี่เรายกอันนี้มาเป็นตัวอย่างพวกเราก็ยังทำให้ถึงทำให้ได้ทำให้ถึงไปจากเงืง่อนงาตรงนี้อย่าไปสำคัญมั่นหมายเอาพิจารณา ค, า ด, คา ด, ดาวดาวแล้วก็ถือเอาคคาดๆแล้วก็ถือเอาพิจารณาจนผลปรากฏเอง ไม่ต้องไปเสียดสารปั้นแตนกับผลมันเป็นผลปรากฏขึ้นเองเรามีหน้าที่ทำํทำมักอย่างเดียวทําให้ยิ่งพีชนะเวลาน้ำมันโผล่งัโผลแป๊บเข้ามาเข้ามาอีกเกินขาดเกินหมายเกินดาวตื่นรูเกินคาดเกินเด า, นน า, ดนเดาในจิตของพู้ที่ต้องตั้งใจทําจะรู้จะเห็น เพราะหน้ารูสัจจะแจ่มแจ้งชัดเจนที่เขาเรียกว่าอัจฉริะสัทธาจฉริสัทธาเพราะเข้าไปรู้สัจธรรมตรงนี้อย่างแนบแนมมั่นคงใครมาบอกไม่ได้ใครจะพูดยังไงก็ตามแต่ชื่อไอ้ที่เราไปเห็นนี่แหละมันเชื่อด้วยความชอบธรรมเชื่อโดยความเป็นธรรมแต่มันสําคัญนะระวังไปเห็นแค่นี้แล้วพูดไปเป็นวาเป็นศอกระวังให้ดีนะขายตัวเองนะ ขอาการถามคำถามว่าจะขณะนั่งสมาธิได้สัมพักจะรู้สึกปวดขาบ้างใจก็รู้สึกว่าปวดต้องตาดูว่ปวดคิวดว่าจะนั่งต่อไปได้ได้แต่กลับรู้สึกอยากจะการเรียนมากจนทนไม่ได้ต้องออกจากสมาธิและการแบบนี้เกิดจากอะไรเราควรทาอย่างไรครับากของพุทธการร่างการเป็นได้สารพัดบอกแล้วว่าทุกขงังทุกขังมันไม่อยู่เท่าเดิมเป็นได้สารพัด อยู่เดียวดีอยู่ดีดก็ท้องอืดอยู่ดีดีก็ท้องเสียอยู่ดีดีก็ปวดหลังปวดเอวอยู่ดีดีก็หุดหงิดขึ้นสมองขึ้นประสาทสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่มันเพิ่งจะเป็นเรารู้เราเองอะมันไม่ใช่มันเพิ่งเป็นอะไรเป็นขึ้นมาแล้วก็จับมันเราเป็นขึ้นมาก็จับมันจะไปสํำคญมั่นหมายว่ามันดบมันดีพิเศษที่ส ใช้ความอดใช้ความทนใช้สัจจะิจฉาเข้าไปมันคือเวทนาตัวหนึ่งเท่านั้นเองคือเวทนาตัวหนึ่งเท่านั้นเองจ่อเข้าไปพิจารณาจ่อเข้าไปอย่าเอาเราเข้าไปใส่ถ้าเราเอาเข้าไปใส่ก็ลุกไปเดี๋ยวนี้แหละเอาเราไปใส่ก็ลุกไปเดี๋ยวนี้แหละหิวกาแฟหิวกแฟหิวกแฟคิดปรุงนึกบ่อยๆครั้งครั้ง ลูกทุ่มเทเราปิดชุมก็แฟใส่ป่าเข้าไปได้เลยแน่ไม่ได้รู้เท่าทันความอยากของมันซ้าเธอมันไปตลอดเถือกเถือกเป็นงั้นโอกาสที่เราเปลี่ยนอิริยาบถก็เป็นอย่างนี้โดยเหตุที่อัตภาพของเรามันสามารถจะแปรปรวนไปได้ทุกรูปแบบเพราะฉะนั้นเอาตายตัวไม่ได้ดอกว่าเราจะนั่งได้ยาวเท่านั้นนั่งได้นานเท่านี้ เคยนั่งมาแล้วทำไมนั่งไม่ได้เคยเคยปวดมาแล้วทำไมปวดอีกแล้วที่มันจะเป็นอันตภาพร่างกายเอาเป็นเกณฑเป็นประมาณกับมันไม่ได้สำคัญว่าวิชาความรู้ที่เราจะมารู้เราจะมาพิจารณาให้เกิดประโยชน์จับจับจับวิกฤตตรงนี้ให้เป็นโอกาสที่เขาชอบใช้้กันจับวิกฤตเฉพาะหน้าของเราตรงนี้ให้เป็นโอกาสตรงนี้สาคัญที่สุด ผู้ที่เจ้ทนหันหน้าสู้นะไม่ใช่ทาให้หันหันหน้านีนะมันมีหันหน้าสูกับหันหน้านีเท่านั้นแหละมีแค่นี้แหละหันหน้านีเพราะอะไรหันหันหน้าสู้เพราะอะไ ร, นน ร, ะะไรมีแค่นั้นเองครับสมัยแรกหน้าก่อยคิดเปเรืเ่อยๆตามรู้นั่นได้เกิดบอชั่วโมงนะครับชั่วโมง 5, นาทีแต่ทาไมพอไปถึงภาวนาไ่อยเท้าติรงมระบบ แล้วกับสิทธิ์ที่ประมาณชั่วโมงครึ่งระยะยาวเวลานามากกว่านี้ก็ไม่ได้มากการจ่ายเงิข้อได้ยามสำหรับแฟนได้แต่สัปดาห์วันเดียเราไม่ต้องไปคํานึงมากครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงกี่ชั่วโมงสองสามชั่วโมงทําให้มันได้ทุกระยะทุกขณะทุกอิริยาบถที่เราทําเอาตัวนี้ตั้งเข้าไปเลยตัดยิงเงินที่ไปหมดเลยเราไปตั้งอย่างนั้นไม่ได้หรอก เอามาทุกขนาดยีดีแหละลองดูสินี่คือหลวงปู่แนะนาเจริญตามหลักหมหาสิประธานหมหาสิประทานเนี่ยทั้สอนกับผู้ครองอเรือนคุณไปอยู่ปฏิบัติการบ้านการเรือนการอะไรต่างๆเจริญหลักมหมาสิบประธานได้หมดหล้างถ้วยล้างจาอยู่กับรารมณ์หนึ่งเดียวล้างแก้ว อยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ใช่ล้างไปจิตนึกปรุงฟุ้งถึงใครก็ ม, มาลุกล้ำล่องลอยไปแน่ไม่ใช่ต่างกันไหมต่างกันไปถูพื้นอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวไม่ใช่ถูไปนึกไปคิดไปดา่าคนนั้นดา่นนดาก็นีดน้ด่าอะไรสารพัดไม่ใช่ทําได้ไหมผ<ำ>ู้ที่อยาทัศนศิลป์ทานี้ อยูพื้นไปอยู่กับอารมณ์นึงเดียวซักผ้าใบตาผ้าตาโน่นตาโน้น่น า, นา ป, ปิดประตูปิดหน้าตา่างยืนเดินพร้อมที่จะอยู่กับความรู้สึกของอิริยาบถกายราตลอดเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งอย่าไปตั้งสองชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงสามชั่วโมงวันที่มันหลงเป็นการเป็นคราวอลองตั้งดูนะวิซีทดสอบ ม, มีอยู่ เรารู้ได้ไหมเรารู้ได้ไหมคือเวลาเราทำไปแล้วมันไม่เป็นไปตามใจที่เราหวังมันก็หมดหวังมันก็แปรใจเออเราถอดอุตส่าห์ตั้งใจทาไม่ได้อะไรเลยเหมือนบางคนเขามาถามเราเขาบอกว่าคุณเคยปฏิบัติธรรมมาถึงขั้นนี้ขั้นนี้ขั้นนี้นนนนแล้วคุณมาเปลี่ยนวิธีการทำไม คนดีไปถึงขนาดนั้นแล้วคุณมาเปลี่ยนทำวิธีนี้ทำไมาเราก็เลยถามเขาว่าและไอ้ความดีที่คุณทําที่ทํามาว่าดีที่สุดของคุณนั้นคุณเอาไปทิ้งไหนคุณเอาไปทิ้งไหนที่มาทําอันใหม่นี้หอเป่าว่านี้มันต่ําสุดเนี้อันนั้นนความดีอันนั้นคุณเอาไปทิ้งไหนห <c oughs> ลงคําพูดของตัวเองหลงกิริยาใจของตัวเอง ใจหนึ่งเดียวอย่าลืมเหมือนอย่างที่เราพูดเีงทุกคนคนลยอดคนลยอดคนลยอดคนลยอ ด, ยอดถ้าเป็นธรรมะของพระพุทธเจ้าสามารถไปต่อยอดให้ได้ทั้งหมดคนนี้ระดับนี้ก็ต่อได้ระดับนี้ขึ้นไปคนนี้ระดับนี้ต่อได้ระดับนี้ขึ้นไปคนนี้ระดับนี้ต่อได้ระดับนี้ขึ้นไปธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นเรามาดูตามตำนานที่ทันเทศพระสงฆ์สาวกพระยสาวกเทวบุตรเทวดานะ เทศจบป๊บ <P uk> ตั้งอยู่ในกลัลยาณธรรมตั้งอยู่ในพระโสดาตั้งอยู่ในพระสกิทาคาตั้งอยู่ในพระอนาคาพระอาราหารันตั้งอยู่ในความผู้เลื่อมใสสัทธาตนรกก็มีฟังจบธรรมะแล้น่าไปต่อ ย, ยอดได้ทั้งหมดดูปัญจวัคคีย์นะฮะพุทธิยถาไปต่อ ย, ยอดได้แค่หนึ่งองค์ วันที่สองก็ได้หนึ่งองวันที่สาก็ได้หนึ่งองวันที่สี่ก็ได้หนึ่งวันที่หก็ได้หนึ่งองแต่พวกนี้เราว่าไม่แน่หรอกเขาอาจจะมายังไม่เริ่มใสศรัทธาเพราะพวกนี้เขาอัติกิรมฐา น, นโยกจักมากภริจาใ ห, ฟให้ฟังให้ฟังให้ฟังไมรู้เขาเริ่มใสศรัทธาสักเท่าไหร่แต่อัญญาโกณฑัญญาเนี่ยถ้าพูดย้อนถึงอเ น, นสง์บุญบัตมีเขาด้วยเขาต้องได้ก่อนอืมบัวสีเราพระธประมะ ในยะวิปจิตัญญูอุคติจันญูมันเคยืดขยืดมาน่ะไสิการเวลาล่วงไปพระธาตุพระมัยืดมันไปสิถ้าไม่ยืดพร้อมที่จะเน่าเฟะเป็นอาหารรังแตวของปลาแต่บัวเป็นธรรมชาติธรรมชาติมันพา ย, ยือดอีคนเราทํางหมเราไม่พายืดยื ด, ยดไม่ได้เน่าเฟะจริงๆคนเราไม่ใช่ดอก บ, บัว แต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าไปต่อให้ได้หมดต่อให้ได้หมดต่อให้ได้หมดต่อให้ได้หมดเหมือนพระยสัจเนี่ยฟังอนุภูปิกถากันแรกอนุพภูปิกถาริยสัจสีกันแรกได้ดวงตาเห็นธรรมพอฟังรอบที่สองฟังพร้อมกับพอ่อปึ๊บเดี๋ยวได้เป็นพระอรหันต์พ่อได้เป็นได้เห็นแค่ดวงตาเห็นธรรมธรรมะมันสูงขนาดไหนธรรมะของพระพุทธเจ้าก็ไปต่อขึ้นต่อขึ้นต่อขึ้น เพราเราไม่ได้เปรียบไม่ได้ไม่ได้เสี ย, ยถ้าเสียทีอะไรให้แก่ใครทั้งนั้นนักการแพทย์ทำหลวงปู่ช่วงที่หลวงตั้งใจภาวนาบ่อยๆจิดจะมีอาการตืตัวตลอดเวลาจนไม่สามารถนอนหลับได้ซึ่งหลูงต้องไปทํางานตอนเช้าหลวงปู่มีวิธีช่วยแก้ไขความตืัวของจิตอะไรนะถ้าเราคิด ไม่อยู่ในอารมณ์ของธรรมมันเครียดแต่ถ้าเราอยู่ในอารมณ์ของธรรมมันจะอิ่มมันเป็นไปจักปัญญามันอิ่มทำทั้งคืนมันก็อิ่มไม่ต้องหลับหรอกสว่างขึ้นมาลุกปุ๊บปุ๊ปไปได้เลยแต่ถ้าอยู่ในอารมณ์เครียดปรุงพราบาลซาลเพพอหยุดปรุงหมดแรงแล้วหมดแรงแล้วไม่ไหวแล้วเพราะมันปรุงอารมณ์ที่ไม่ใช่ธรรม เนี่ย yeah. ถ้าเรามีเวลาสีบพนนาทียามสงบระครับรา่าไปเลยทิ้งให้หมดโลกนี้ทิ้งให้หมดแปบไปห้านาทีมีแรงตือขึ้นมาทำงานต่าารได้ <c oughs> เรานอนเนี่ยเรานอนไม่หลับแต่เรานอนภาวนาร่างกายมันได้พักผ่อน เราอาจจะนอนภาวนาแต่ภาวนานี่คือจิตที่ปรุงเป็นธรรมนะยกเว้นฟุ้งปรุงตลอดทั้งคืนที่เขาว่ากลางคืนเป็นควันกลางวันเป็นเปลวพวกนี้แหละปรุงจนฟุ้งจนเป็นบ้าแต่ถ้านอนภาวนาร่างกายได้พักผ่อนมีแรงไม่ต้องหงงขอให้เราอยู่ในบทธรรมไม่ต้องห่วงหรอกมีแรงไปพิสูจน์ดูเถอะ ขุบาอาจารย์ท่านทำเป็นคืนคืนเราไม่ต้องไปพูดถึงเราแค่อยู่กับงานน่ะเป็นปนคืนๆขุบาอาจารย์ท่านภาวนาเป็นคืนคืนนะอา่าวิ่งขุบาอาจารย์ลงไหนท่านว่าเป็นของง่ายของกล้วยเหลือตายเหลือเดินตายเหลือเด่นตายไม่ใช่ทำเหมือนพวกเราอะทำเท่าไหร่ท่้นก็ไม่เห็นว่าเคร่งเกินไปไม่เคร่งขอใอยู่บนเส้นทางมัชชิมาปฏิบัติไม่ถึงว่าเคร่ง แต่ถ้าเป็นการมาสุขาลิการนโยเป็นอัตเกตรรมทานนโยนี้คือหย่อนด้วยเคร่งด้วยไม่ได้ไรสักอย่างไม่เกิดประโยชน์อำนวยเกี่ยวกับเรื่องกามและถือเคร่งไปโดยขาดสัจจะประสิยาสติปัญญาในหัวใจธรรมะที่ไหนมันจะมาเกิดในหัวใจมันไม่เกิดเพราะไม่มีต้นฐานให้กำมันไม่ได้ปรุไม่ได้ปรุงไม่ได้นึกไม่ได้คิดไม่อะไรต่ออะไรให้กับมัน แล้วจะให้มันเอาผลจากไหนมาเกิดพระพุทธเจา้าเลยนะโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะฉะนออกหันมาบาเพ็ญทั้งด้านจิตใจใช่นไหมคืนเดียวนู้เรื่องหนึพวกเราอยาทิ้งหลังหลังเราเนี่ยเราทิ้งไม่ได้หรอกการพิสการท่านอาจารย์การครอบิตเข้าสู่ก็ว่าจะต้องทําอย่างไรตั้งผูการปวามพึงพิจารต้องไปทําอะไรก็เข้าไปสิมันจะเข้าไปจริงๆก็แล้วกัน จะต้องไปทําอะไรอะ่ะจะเข้าจะเข้าจะเข้าจะเข้าจะเ ข, าเข้ายังไม่ได้จะทํำยังไงเข้ายังไม่ได้ด้วยเหตุใดแล้วก็สืบสอบตรวจสอบดูพวกเราอย่าไปแต่ติดใจแต่กับเรื่องผวังขอให้ม่อยู่ในปัจจุบันนี่เถอะไปจิตใจอะไรตะกมันเรื่องผวังบางทีก็เข้าไปนอนสงบเงียบเฉยไม่ได้สติได้ปัญญาอะไร แต่ถ้าเข้าได้สะดวกสบายก็เข้าไปไปหลบเป็นการเปลีาวไปการท่านสบายที่จะเข้าข้าวอุปสรรคเพื่อด้ได้นานๆแต่ว่าทำอย่างไรช่รยท้าทายฉขันติความอดความทนวิริยะอุสาหขันติวิริยะอุสาห ฉันทัวิริยะสติปัญญารวมอยู่ในนั้นหมดฉันทัวิริยะจิตตพิมงังสาความอดความทนความมุ่งมั่นความตั้งสัจจ์อธิษฐานความเด็ดเดี่ยวลองตั้งไปเถอะสิบครั้งในเราสำเร็จหนึ่งครั้งนี่ก็โอ้เหลือกินเหลือใช้ตั้งกันไปเถอะไม่มีสิ่งนี้กระตุ้นเตือนไม่ได้แล้ว งั้นพวกเราภาวนาเฉยๆครูบาอาจารย์ท่านจึงตําหนิท่านจะให้มีธุดงคุดดงมันบังคับธุดงนั้นบังคับนั้นธบังคับนั้นบังคับนั้นบังคับนั้นบังคับบไปให้งานเหลือให้งานหัวาจเหลือน้อยที่สุดมันพยายามสมดุลพลังไมได้หมดไม่มีสิ่งอะไรนี้เป็นแรงกระตุ้นเตือนหัวใจจะเอาอะไรมาได้มันก็จะไม่มีกําลังต้องการจะฟันไม้เลย ขานก็ไม่คมแรง ก, ก็ไม่มีจะอะไรไปฟันมันหรือย่างให้ไงมันขาดมันจะขาดได้ไงเหตุไม่พอขอการเรียนถามต้นจากเรียนที่ว่างจิตดวงเงาของจิตหรืออาการของจิตต่างกันอย่างไรครับมันเงาของจิตทั้งหมดนั่นแหละ จิตคือธาตุรู้ผู้รู้หนึ่งเดียวนอกนั้นทั้งหมดเป็นเงาเป็นกิริย า, าการของมันทั้งนั้นกิริยาของจิตทั้งหมดน่ะคือเงาของมันทั้งหมดนั่นะเราไปใช้คําบางทีเราก็ติดใจในในคพูดของเราเองเงาคืออะไรถ้าเราจะถามดูเงาคืออะไรน้องตอบมาก่อนที่ เราไปตั้งให้ติดคำพูดของเราเองเนี่ยมที่ครูบาอาจารย์ท่านพูดมาและทําให้เราไม่เข้าใจเงาเราก็ไม่เข้าใจล่ะคิดล่ะสินี่ยก็ริงอยู่ก็สอบก็ถามก็อะไรต่ออะไรเข้าไปแต่ถ้าเราพยายามดูมาข้างในอะไรคือเงาแท้ๆคืออะไรเงาของฉีดก็คืออะไรก็คื อ, คอกำเนี่ย พฤติกรรมของจิตเงาของจิตทั้งนั้นกุศลแทรกเข้าไปอกุศลแทรกเข้าไปอัิยากฤรแทรเข้าไปกิริยาอาการของมันทั้งนั้นดูดีว่าวเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณอาการของจิตก็คือเงาของจิตไม่ใช่ตัวจิตนะไม่ใช่ตัวจิตพระเจ้าธรรชาติร่างจิตที่บริสุทธิ์เหลือหนึ่งเดียวไม่ใช่สิ่งนี้พระจิตที่บริสุทธิ์หนึ่งเดียวนั้นยังอยู่ไม่ได้ดับสูญไปไหน แต่อันนี้ละลายหายไปหมดแล้วทิ้งไปหมดแล้วร่างกายอย่างเงี้ยเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปหมดแล้วทวารไปแล้วนับตั้งแต่ขันเวทนาสัญญาสังขารมิยนรูปเวทนาสังขาร ย, ยา น, นี่คือเงาของจิตนี่คือกิริยาการของจิตรวมไปถึงภาคธรรมเงากิริยาการของจิตรวมไปถึงภาคกิเลสเงากิริยาอาการของจิต ที่อาการของจิตทั้งนั้นในภาษาพิธามท่านก็นไปแยกแยกให้เราศึกษาเข้าใจสะดวกสบายไม่เสียหายดอกศึกษาไปครับหากว่าเรามีสติรู้ตัวจิตรืบคลืนมาจากความคิดเป็นความเป็นปกติของจิตบ่อยๆเพิ่มเรื่อยๆมากขึ้นเรื่อยๆอันนี้เพียงพอที่จะก้าวถึงเป้าหมายนะครับโดยเพื่อที่จะให้จิตมีกำลงังก็จะมีเดินตรงตรง ไปทุกวันทุกวันการฝึกฝนครับไปได้สะสมไปเรื่อยๆก็พิธีการนี่แหละวิธีการที่เราสะสมเก็บเล็กผสมน้อยไปอยากเป็นเศรษฐี5บาทสิบาทใส่หยดกระป๋องเข้าไปเรื่อยๆหยดเข้าไปเรื่อยหยดเข้าไปเรื่อยหดเข้าไปเรื่อยเก็บสะสมเข้าไปพวกเราตั้งใจฝึกฝนอบรมกับคนที่ไม่เคยสนใจฝึกฝนอบรมเลยเราไปดูดีเหมือนกันไหมหัวใจเหมือนกันไหมไม่เหมือนไม่เหมือนกันดอก ผู้ฝึกฝนอบรมเป็นประจำ ม, มันมีผลวิบัตสะสมของใครของเราสะสมมากๆเข้านังนเข้ากลายเป็นนิสยัยกลายเป็นอุปนิสยัยสันดาลติดพบติดชาติของเราไปคนไม่ฝึกฝนอบรมจะได้อะไรอย่าลืมว่าใจถ้าไม่เอาธรรมะมาอบรมเนี่ยกิเลสมันจะอบรมพระผู้ที่อยู่ในใจ เป็นธรรมะคู่หน us. anyway. ึ <that> ่งกิเลสสองธรรมถ้าทำไม่ทำงานกิเลสทำงานผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดกิเลสกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของกิเลสเรานักปฏิบัติเราทำมาทำงานทำกรรมวิบากผลรายได้เป็นเรื่องของธรรมผลรายได้ผลเป็นเรื่องของกิเลสมันก็อ่อนลงไปอ่อนลงไปอ่อนลงไปอันนี้มีแรงมากเท่าไหร่อันนี้ก็ สามารถขมได้มากเพรานั้นรู้ทันกิริยาการของกิเลสมากเท่านั้นมันก็เกิดอยู่ในใจดวงเดียวเลยแหละล้วนึกเราคิดเราปรุงอะไรเราอย่าไปทิ้งใจเราจะจะรู้จักเข้าใจเอาเองจะรู้จักเข้าใจดูของจริงเนี่ยอย่าไปดูตามตัวหนังสือดูของจริงที่มันอยู่ในหัวใจเราจะเข้าใจเ อ, าเองวันเล็กวันน้อยวันละนิดวันหน่อยวันละอย่างสองอย่างพัฒนาไปเรื่อย คนที่เคยมืดๆทึบๆปึ๊กปึ๊กปันควายตู้นี่แหละจะมาว่าววับหมั่นด้วยสติด้วยปัญญาพระจิตของคนเราฝึกฝนอบรมได้สมารถมาชะมล่ามาขัดมาเปล่าได้หมดเวลาไปเยอะแยะแล้วครับนี่ตาถามว่าถุดท้ายครับเวลาได้สมาธิมันจะหลับสนิทช้าๆผู้สตอย่างก่อขอวิธีสร้างสติทีแข็งแรงแล้ว่อไว ถามอีกหรออีกคำถามนป็กาวาท่านที่จะลองแพทธรราอยู่ท่านจะมีอาการแน่คมได้อย่างไรเนี่ยทั้งสองคำเนีเราฟังไม่ชัดอ่านไม่ฟังไม่ชัดเวลานั่นสมาธิบ้ากจะดัเป็นทักทักเพราะสติเรียอ่อนขอวิธีการสร้างสติให้แข็งแรงและว่องไวขึ้น จดจอเข้าไปสิจดจอยมากๆเข้าเราก็รู้ว่ามันอ่อนเป็นพักเป็นพักมันก็หลับ เ, เป็นพักเป็นพักอะไรนะถ้ามันไม่เป็นพักเป็นพักมันก็จะเป็นพื้<笑><笑>เราไม่มีความตั้งใจจะเอาอะไรมาได้ไม่ลงน้ําพักน้ําแรงเราจะเอาอะไรมาสร้างมาสร้างตัวได้ ต้องอต้องทนหากสักวันหนึ่งจะเป็นเราอ่ะโอ้เป็นเราใช่แล้วเป็นเราใช่แล้วข้อสุดท้ายลืมนั <c oughs> ่นแหละแรับพระอาหารหันต์เียกร้องพระสังอยู่ท่านอยากรู้ังข์านหน้าโคตรไม่แน่ใจครับความเป็นพระอาหารหันต์คือจิตของท่าน ขันทั้งหก็คือขันทั้งหพอเวลาท่านเข้าสู่อนุ ป, ปาทิเสสานิพานขันทั้งห้าก็ดับกิเลสมันดับไปก่อนแล้วขันทั้งห้าก็ดับเหลือแต่ผู้รู้หนึ่งเดียวขันทั้งหท่านยังเจ็บแค่ได้ป่วยเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละเพราะขันทั้ง5ไม่ใช่ภาวะของความเป็นพระอระหรันต์อ่ต่อไปเลยเวลาเข้าไปเยอะๆแล้ว